ได้แก่ 1. ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. วิริยะความอุตสาหะภาคเพียร 3. ส, สติการระลึกครู 4. ส, สมาธิการตั้งมั่นของจิตใจ 5. า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 ที่หลอกให้จิตต้องไปยึดไปติดกับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอสรงชีให้เห็นว่าสัพเพธรมาอนัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาพอเห็นแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจ เห็นว่าถูกความหลงความมืดบอดของใจหลอกให้ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นทุกเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็ปล่อยไม่ยึดไม่ติดไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นใจก็หลุดพ้น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 อยากที่จะเจริญสติอยากที่จะเจริญสมาธิอยากที่จะเจริญปัญญาเพราะทาเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุขั้นสมาธิบรรลุขั้นปัญญาอรุบรบรลุขั้นอริยมรรคอริยผล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 เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาถ้าผู้ฟังสามารถพิจารณาตามและน้อมนำเอามาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้<ๆ>ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถ้าไม่สามารถน้อมเอาธรรมเข้ามา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 ก็พยายามนั่งสมาธิกันถ้ายังไม่มีปัญญาก็หมั่นพิจารณาสัจธรรมความจริงพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหารเรปติกูลและสัญญาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอราิยสัจสี่ทุกสมุทยัทยนิโรธมาก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 ใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ามีสติจะเจริญบทพระพุทธคุณก็ได้เช่นสวดอิติปิสโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอันนี้ก็สามารถเจริญสติได้ดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ให้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 ถ้าเป็นจลิตที่ใช้ปัญญาเป็นจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ให้พิจารณาตายรับอย่างเดียวให้พิจารณาเช่นความตายความตายนี้ก็เป็นอนิจจงเรียกว่ามรณา น, นสติหรือให้พิจารณาสุภะก็ได้เช่นท่องอยู่ในกายนครดูอาการส2สอง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 ช้องอยู่ในกายนครนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายยกตาสติอีกรูปแบบหนึ่งกายสติที่เคยได้เล่าให้ฟังก็คือเฝ้าดูเอเรียบทการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะดึงให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมา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 อเกิดความจะเกิดความเสื่อมขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะจะเกิดความอยากไม่ให้เสื่อมความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเช่นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็อยากจะให้เจริญวิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่ให้เสือ่อมแต่ความเสื่อมนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปห้ามได้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 มันไม่มีวันหมดมันเจออยู่กับใจไปชั่วฟ้าดินสลายจะอยู่ไปตลอดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้หูตาสว่างเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขแล้วเราจะได้ไม่เข้าหาความทุกข์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 ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคระังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปกาปติอิชิต um ังปัติตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจโตสพเภปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามนิจโต ระโสยถาสพิติโยวิวัจฉานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลั ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ราบนมัสการ์พระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมเนตรพบศรีไส จ, จากปทุมธานีก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบรรดาสาธุชนผู้มีศรัทธาที่ทำหนังสือทำซีดีของพระอาจารย์ได้อ่านครับ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 ก็เป็นบุญเป็นหนึ่งในบุญสิประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็จะเราได้รับอนิสง์ก็คือเราได้ความอิ่มเอิบใจได้ความสุขใจเปรียบเหมือนกับได้อาหารเราก็จะไม่ต้องไปเว้นอ้วนวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับความสุขกับเราเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อน ครับผมผมไปใส่บาตรเมื่อเช้าเนี่ยครับไปเจอน้องอายุประมาณยี่สิบกว่าแนะนำบอกว่าไปฟังทำด้วยกันไหมที่เขาชิโอนเออมีด้วยเหรอพี่มี ม, มีมีครับมีเขาดีใจมากเลยไอ้เรานี่ก็รู้สึกสุขใจอย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดแต่แต่ว่าเราจะได้บุญไหมนอก <laughs> อ น, นี่คือคิดในใจ น, นะครับครับผมเราก็เรื่องที่สองครับเปิรนว่าผมก็พยายามนำธรรมะของท่านพระอาจารย์เนี่ยนะครับ อเจอใครก็อยากจะบอกแนะนํานะครับไปเจอแม่ค้าแล้วก็บอกว่าโอ้ธรรมะอาจารย์ดีมากนะแม่ค้าบอกจะให้หวยแม่นไหมล่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> ผมก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเอาอย่างนี้ถ้าอยากถูกหวยอนะครับภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธบ่อยๆเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ถูกหวยเนี่ยเขาจะด่าผมหรือว่าไอ้ไอไอนี่มาโกหกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราได้นะครับอาจารย์ ปัญหาคือว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บผมสมควรไหมหรือต่อไปไม่ต้องบอกแล้วอย่างนี้ครับไม่ควรบอกเพราะว่ามันไม่ตรงกับความจริงครับ <Yeah. S 1> อืมครับผม <laughs> <laughs> <laughs> ครับออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมมาพบท่านพระอาจารย์นะครับรู้สึกปลื้มปิตินะครับกราบลงแล้วก็หมอบลงเนี่ยนะครับมันปิติสุข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 ถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็จะไม่มีชีวิตนี้ดังนั้นอย่าไปคิดในทางนั้นเพราะเป็นความคิดทางกิเลสตัณหาพ่อแม่อาจจะทําให้เราไม่พอใจไม่สบายใจแต่เราควรจะมองในแง่ที่ดีพ่อแม่ทุกคน้รักลูกอยากจะให้ลูกได้ดีเวลาพ่อแม่เห็นลูกทําอะไรไม่ถูกต้องเห็น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 อย่าให้ความคิดที่ไม่ดีนี้เกิดขึ้นมากับเราเพราะว่าเป็นการเป็นการเนรคุณเป็นความเป็นการไม่มีความกระตันยูกตเวทีผู้ใดไม่มีความกระตันยูกตเวทีมีแต่ความเนรคุณนี้จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองได้เพราะคนอื่นถ้าเขารู้ว่าขนาดบิดามารดาอย่างเนรคุณได้แล้วคนอื่นที่ไม่มี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 การพูดเพ้อเจ้อที่ไม่ควรคือเป็นแบบไหนคะคือการพูดเล่นหรือเปล่าคะก็การพูดที่ไม่เกี่ยวกับธรรมานี้ถือว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อทั้งหมดสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พูดนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันที่จะเรียกว่าไม่เพ้อเจ้อคือพูดถึงเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องอความยินดีในสถานที่สงบสงัด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 อย่างที่ชาวบ้านนิยมคุยกันวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ข้อที่2การทำบุญแก้ชงเป็นการทำผิดต่อพระรัตนตยหรือเปล่าคะคือการทำบุญทางพระพุทธศาสนานี้ให้ทำบุญเพื่อบุญเพียงอย่างเดียวบุญก็คือความสุขใจที่จะเกิดขึ้นจากการ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 มีความสุขใจได้มีบุญได้โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินทําทานอย่างเดียวเท่านั้นบุญมีสิบประการด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ข้อ1ก็คือทานข้อ2ก็คือศีลข้อที่สก็คือภาวนาข้อที่4ก็คือการอุทิศบุญข้อที่5ก็คือการอนุโมทนาร่วมบุญกับผู้อื่น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 ทานศีลภาวนาถ้าไม่มีทานก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญญาจะทำทานก็ไม่ไม่ทำก็ได้ขอให้รักษาศีลให้ได้แล้วก็ภาวนาให้ได้ก็พอคำถามต่อไปจากคุณอนัญญาข้อที่หนึ่ง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 เพราะส่วนตัวแล้วมีลักษณะการหายใจที่เร็วและไม่ลึกค่ะถ้าต้องการทาใจให้สงบนี้ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมใช้ลมเป็นที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่ลอยอยู่ในกระแสน้าที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่มีอะไรเกาะร่างกายก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำ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 เวลาที่เราจะพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญานั้นเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เราพิจารณานั้นเป็นจริงตามจริงไม่ใช่เราเห็นผิด <S 2> <S 2> ก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเช่นทรงสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นความจริงทุกคนล้วก็รู้เช่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 ถ้าเห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลานาะทีมันจะไม่ลืมที่ที่ลืมกันก็เพราะว่าไม่เห็นตลอดเวลาไม่พิจารณากันตลอดเวลาไม่ชอบพิจารณาเพราะกิเลสตัณหาไม่ชอบพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจึงจำเป็นต้องฉีดยาสรบปให้กับกิเลสตัณหาก่อนก็คือการเข้าไปในสมาธิก่อนเพื่อทำกิเลสตัณหาให้อ่อนกาลังลงให้มีกาลังน้อย พอออกจากสมาธิมาใจก็จะสามารถพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้จะไม่มีความรู้สึกหดหูใจธรรมดาถ้ามีกิเลสตัณหาแรงนี้จะไม่ชอบพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเพราะทำให้เกิดความหดหูเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็จะไม่จำเมื่อมันไม่จำมันก็จะลืมไป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 พอดีเพื่อนของลูกสาวนะคะเขาแต่งงานได้ประมาณสี่หปีแล้วก็สามีเขาก็เป็นเส้นเลือดในสมองโปง่งแล้วก็แตกตอนนี้ก็ไม่ค่อยรับรู้อะไรทั้งสิ้นนี่เพื่อนลูกสาวเขามีความทุกข์มากเลยเขามีความรู้สึกเหมือนอนาคตมืดมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาปรึกษาลูกสาวลูกสา ว, ก, สาวาก็โทรมาหาก็พยายามคัดหนังสือคําสอนท่านอาจารยะะ์จากพวกกําลังเอจุลธรรมนําใจ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 พอหรือยังก็พอสมควรแก่เวลดานะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ